ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุคระชายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับรุ่นข้าพเจ้าพระไพบุญอภีปุณโณจาก ว, วัดป่าดอนไยโกอําเภอดองหันจังหวัดอุดรธานีในทุกๆวันเรามาพบกันคุยกันก็ไม่ได้คุยเรื่องอะไรใหม่เลยคุยเรื่องเดิมคือคุยเรื่องธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศไว้ดีแล้ว นะเป็นธรรมะที่พิสูจน์ได้คุณลองทําช่วทําบาปนะคุณจะเห็นได้ว่าใจมันจะร้อนแต่มันจะไม่ดีขึ้นคุณทาความดีคุณนั่งสมาธิจงริบวาวนารักษาศีลคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีใครจะมาโจทย์คุณด้วยหรือจะคุณไปผิดศีลได้อันนี้เป็นของที่เห็นได้เฉพาะตนเป็นคุณสมบัติของธรรมะที่พุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้แล้วในการปฏิบัติธรรมะในการเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราแตนะ่ถ้าเราเอาไปใช้อาไปปฏิบัติ การนำไปใช้เปรเียดก็ก็ไม่ได้ยากเลยท่านฟังแค่ไหนแค่อันไหนสิ่งไหนควรละเราละสิ่งไหนควรทําเราทําเรารู้ว่าสิ่งไหนควรละสิ่งไหนควรทําเราปฏิบัติตามนั้นง่ายที่สุดละอย่างกับพ่อแม่มาได้บิดาอย่างเงี้เรารู้ว่าเราควรจะต้องอ่อนน้อมถม่อมตนตามฐานะสูงต่ําเราก็ทําถ้าคุณไม่ทำแต่คุณก็จะเจอสิ่งที่เป็นอาธรรมะสิ่งที่เป็นอาธรรมก็คือไม่ดีแน่นอนในสิ่งที่ ไม่เป็นไปตามธรรมนั่นเองคือสิ่งที่เป็นอาธรรมอย่างเวลาที่เราทําชั่วทําผิดนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเดือดร้อนใจความที่ต้องร้อนใจท่านพระเจ้าใช้คําว่ามีปฏิสารทำไมบางคนทําชั่วทําผิดแล้วยังได้สิ่งที่ดีในชีวิตอยู่อันนั้นเป็นบางที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มัน่าจจะเป็นสิ่งที่มีความผลยังไม่เกิดอาจจะเป็นสิ่งที่ ผลอาจจะยังไม่ได้ให้แต่ที่แน่ๆเกิดขึ้นอย่างหนึ่งในใจเขาคุณไม่รู้เวลาที่เขาทำชั่วทําผิดอย่างเงี้ยยังแกล้งคนอื่นโกงสั่งคนอื่นทําไม่ดีในใจตัวเองเลือกเนี่ยใ น, ในใจตัวเองเลือกเนี่ยมันจะมีความร้อนใจอยู่ในนั้นทันทีเดี๋ยวนั้นวินาทีนั้นคุณอื่นอาจจะไม่เห็นแต่เจ้าของตัวเองที่ทํารู้อยู่แต่คุณพูดไม่ดีสั่งไม่ดีาสะใจเวลาด่าเขาด่าเขาสะใจใช่ไหมแ้่ในใจตัวเองมันร้อนอยู่ เบิดตุ้มไปแล้วเรายัไม่รู้เนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตดูจิตของเราให้ดีถ้าเราสังเกตดูจิตของเรานะคือคำสอนของพระเช่าเนี่ยให้น้อมเข้ามาสู่ตัวเองนะให้มาแทนที่จะไปโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคนนั้นทําไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเลยคนนู้นคนนู้นคนนู้นคนนั้นคนนั้นไม่เห็นมีตัวเองสักทีนะึงเราจรึงจะต้องมาดูตัวเอง ทำไมมาดูตัวเองอ่ะทำไมไม่ดูคนอื่นทำไมคนอื่นไม่เปลี่ยนทำไมฉันต้องเปลี่ยนคุณอื่นคุณเปลี่ยนคุณอื่นได้หรอคุณเปลี่ยนคนอื่นได้ไหมถามดูคุณเปลี่ยนฝนแม่ใมันตกได้หมฝนมันจะตกคุณเปลี่ยนแดดแม่ใหนอกได้ไหมแดดมันจะออกถึงเวลามันจะออกมันก็ออกคุณเปลี่ยนใจคนอื่นเปลี่ยนได้ยากไม่ต้องพูดเลยพระเจ้ายังไม่สามารถมาผ่าตัดเปิดโลกธาตุให้ทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดเนี่ แต่ทำได้คงทำไปแล้วแต่ไม่สามารถทำได้ตัวเข้าใจเองไม่สามารถแหกออกท่านฟังออกมาเอาหมุนเอาไขควงจูนเข้าไปปรับตรงนี้แต่งนี้หน่อยออกมาทุกคนเป็นคนดีโอ้ยทำได้ก็ทำไปแล้วแต่มาทำกันไม่ได้มันไปบังคับเปลี่ยนแปลงคนอื่ น, น, นไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือให้ทำยังไงอ่ะเรามีความทุกข์อยู่เฉพาะหนะ้าเราเจอความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าให้ทําไมเรามีความทุกข์เรามาแก้ตรงนี้ดีกว่าเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองยกไปก่อนเลย เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแรงสิ้นเรามาดูแี่วเราจะแก้หนาหยัางไทงทําไงเราถึงจะหมดความทุกข์ที่เราเจออยู่เฉพาะหน้านี้นพอเรารู้ว่าเรามีความทุกข์อยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงก็เดือดมันยากเราดูใช่ไหมเราควรจะทําจิตยังไงตรงนี้แหละคือการที่เราจะพยายามที่จะมาดูในใจตัวเองว่าเอ๊เราควรจะเผชิญหน้ากับความทุกข์นี้อย่างไรดีมันมีวิธีทางเลือก2วิธีท่านผู้ฟังวิธีที่1ก็คือว่าจมปลักอยู่ในกองทุกข์ที่เกิดขึ้น ราำไห้คำคนรทุบบกชกตัวถึงความเป็นพุ่งงงคลั่งเพลอหรืออีกวิธีหนึ่งนะนอกจากราำไห้คำควรอาจจะก็ด้างกระเดืนอนแซงความกลความไข้เครื่องกว่ามไม่พอใจให้ปรากฏพอเป็นอย่างนี้แล้วกุจะมีเขาเรียกว่าจมปลักอยู่ในความทุกข์ก็จริงทุกมากขึ้นอ่ะนะหรือวิธีที่สองนะทางออกทางที่2ก็มีนั่นะคือแสวงหานะทางออกอื่นภายนอกน่าจะมีคนอื่นๆที่เขารู้ทางออกจากปัญหานี้สักหนหรือ2ทาง เราไปหาข้อมูลจากคนคนนี้กันแตคนนี้ก็มีการประกาศตัวไปแล้วนะว่าคนนี้สามารถทำไดนน้นั่นคือสมณะโคดมสมณะโคดมเนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศตัวไปตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วว่าเป็นผู้รู้ทางออกของปัญหาที่คุณเจออยู่สมณะโคดมคือใครก็เป็นพระรูปหนึ่งเป็นสมณะเป็นรูปแบบของการบวชแบบหนึ่งที่เราสมณะแปลว่าผู้สงบนามสกุลโคตมะนา โ, โคตมะโคดนามสกุลโคตมะสมณะโคดม หรือพระโคดมพระโคตมะเนี่ยก็ทำความดีความเพียรทำความสามารถอันยิ่งยวดจนตัวเองเนี่ยมีความสําเร็จภายในครองตำแหน่งสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ครองตำแหน่งสมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนี้อยู่มีความรู้ความเรียนความสามารถในการที่จะเอาความทุกนี้ออกไปได้คนอื่นที่ไปเรียนตามรู้ตามปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผลอย่างนั้นเราในขณะนี้ หลายพันปีร่วมมาแล้วเราเรียนตามรู้ตามปฏิบัติตามเราก็ได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนอย่างอาสีติมาสาวก80รูปเราพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายเราพระอาาริยะสาวกทั้งหลายที่สามารถเอาความทุกข์ออกจากจิตใจของท่านของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นได้แล้วในการปฏิบัตินี้ม่ได้ยากจนฝังแต่แค่เรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญาเป็นไปตามขั้นตามภูมิที่เราปฏิบัติป ฏ, ต ป, ฏตปฏิบัติไปแต่ถ้ามี คำถามข้อสงสัยตรงไหนก็เขียนมาถามได้ข้านพะเจ้ายัางอยู่กับท่านผู้ฟังถ้าสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์หรือว่าเขียนจดหมายมาเราจะพูดคุยตอบคําถามกันให้ในวันพูดอย่างนี้เราก็มาพูดคุยคําถามธรรมะคุยธรรมะมีข้อสงสยัยอะไรต่างก็เขียนมาได้ะจะสะดวกด้วยวิธีการเขียนจดหมายก็ได้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสีงยงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเดินแดงกรุงเทพหน0่งศ หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโซก็ได้ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็ส1 1 3นึหหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตแล้วก็รวดเร็วนิดนึงก็ไปที่เพียวธรรมะดอทคอมพีย e a อ m รไปที่หน้ารายการธรรมะรับรุนสามารถฝากข้อความความเห็นไว้ที่ตรงนั้นได้ในวันนี้เรามีความเห็นมาจากคุณบัว บัวระวงอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ닷คอมคุณบัวระวง เ, เขียนความเห็นมาอย่างนี้บอกว่าหายไปนานแต่ฟังรายการอยู่ทุกเช้ า, าจริงๆแล้วการฟังรายการอยู่ทุกเช้าเนี่ยไม่ได้หายไปหรอกท่านผู้ฟังแต่เรื่อฟังกันอยู่ยังติดตามกันอยู่แต่แค่ว่า ย, ยังไม่ได้สื่อสารมาก็สื่อสารมาได้เรารู้ว่าเสียงที่เรากระจายไปเนี่ยเป็นธรรมะคาสอนของพระเจ้าเนี่ยไปทั้งไหนเนี่ยมัน มันสบายไปทางไหนเนี่ยมีคนฟังพุะรูชาาบอกอย่างนี้บอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นความอัศจรรย์แม้มีหนึ่งใน8อย่างหนึ่งในความอัศจรรย์นั้นเนี่ยเนื่อเพราะว่าการปรากฏมีขึ้นของพระรูชาาก็คือว่าพอพระรูชาประกาศตามออกไปพูดเรื่องการหลีกออกจากการมอย่างเงี้ยในขณะที่โลกกําลังโอ้ไม่เอาสเสพกรรมจะหมกมุ่นจะเพลดิดเพลินไม่ได้ต่างๆพอมีคนพูดเรื่องการทวนกระแสพูดเรื่องทําความเพี่ยรเรื่องธรรมะเรื่องการหลีกออกจากการม มีคนฟังนี่คือความหจญฉันหนึ่งใน8อย่างของการปรากฏมีขึ้นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะนะคือถึงแม้คุณจะไม่ได้สื่อสารกลับไปกับผู้ที่ เ, เขาส่งเสียงมาเรารู้ว่าตรงนี้มีแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้บอกไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะเราก็ได้กําลังใจจากการคําสอนพระพุทธเจ้าในะการสื่อสารกับขท่านผู้ฟังเนี่ยจะทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราฟังจากที่ไหน นะหรือว่ามีคําถามใดๆ ไ, ไหมก็จะตอบให้ได้ตามนั้นอันนี้ก็เป็นการดีแล้วนะก็ขอขอบคุณที่ได้ส่งข้อมูลมาให้ดังนี้คุณบัวระบงจากจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าไดา้ฝึกนั่งสมาธินะ่แต่ทําได้นิดหน่อยส่วนใหญ่จะคิดฟุง้งซ่านมากมายหลายเรื่องเลยนั่งไม่ได้นานทํางานไปแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง โดยเฉพาะยิ่งางานตื่ๆทําให้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้แต่ว่าวันอังคารที่เราได้มีการปฏิบัติรำเนี่ยมีการปฏิบัติตามสายตามเสียงเนี่ยดูเหมือนจะทําได้นานแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาการปฏิบัติเนี่ยท่านผู้งเราพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบทําไมถึงพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเราเอาไปใช้งานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะส่วนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ย เราก็ควรจะทําต่นี้บางทีทําแล้วมันฟุงงซ่านหรือว่านั่งเอาแค่ครึ่งชั่วโมงนั่งไปทำไมโอ้ยฟุ้งซ่านตั้ง25นาทีอีก5นาทีนะยังพอรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิได้ที่สมาธินี่ก็ไม่เลือกด้วยแค่4นาทีที่ลือด อ, อาจจะมีจริงๆแค่นาทีเดียวนะแค่นี้เองนะก็เลยคิดว่าโอ้ยทาไมได้นี่ต้องอธิบายให้ให้ฟังอย่างนี้ว่าธรรมาเนี่ยเป็นของที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่ง สมมติว่าถ้าเราพูดถึงระบบประชาธิปไตยเนี่ยคนเสียงส่วนใหญ่เอาอยัางไงเราก็เอาตามนั้นใช่ป่ะจริงๆเนี้ยเป็นประชาธิปไตยที่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดไม่ถูกก็ได้อย่างในกรณีเรานั่งสมาธิเนี่ยสมมุติจิตเราไม่สงบนะ่สิบนาทีจิตเราสงบพอประมาณแค่สนาทีสงบจริงๆมีแค่นาทีเดียวนะสมมุติเอาคน3กลุ่มนี้มาโหวตเอาเอาช่วงเวลา3ช่วงเวลาเนี้ยมาโหวตมาลงคะแนนเสียงละ นะไอ้พวกที่ได้25นาทีเนี่ยชนะแน่นอนโอยไม่ทำหรกักฟุ้งซ่านไม่รู้เรื่องนะก็จะบอกว่าเลิกอย่าทาเลยนะอีตา4นาทีบอกเออทำนิดนหน่อยก็พออีตาหนึ่งนาทีนี่ก็บอกต้องทํานะต้องทำแนะตำนะ่ต่อให้คนส่วนมากเวลาส่วนใหญ่ที่เราใช้เนี่ยมันจะใช้ไปยังไงก็แล้วแต่นั่นฟัง1นาทีนั้นน่ยก็ยังชนะอยู่ดีหนึ่งนาทีนั้นก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะเราจะมาบอกว่าคนส่วนให ญ, ญ่เขาไม่ทํากันหรอกเราก็จะหาเหตุผลที่จะไม่ทํา เฮ้ยเาพูดไม่ถูกนะเพราะว่าธรรมะยังไงมันก็ชนะอยู่ดีหนาพระเจ้าพูดถึงตรงนี้ว่าธรรมาธิปไตยนาะถ้าคนส่วนใหญ่เขาผิดศีลนะ่ะแล้วเราเราบอกเฮ้ยเราจะต้องทําถูกศีลนะแล้วเขาจะบอกเฮ้ยไม่ได้คุณทําถูกศีลไม่ได้คุณต้องทําผิดศีลเอ๊ะมันฟังไม่ค่อยเข้าท่านะคือไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่จะลากไปยังไงเราก็ไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่ถูกหนาะเราต้องดูว่ามันเป็นไปตามธรรมไหมตรงนี้คือธรรมาธิปไต่พระเจ้าบอกว่าสาวกทั้งหลายเนี่ยให้ เป็นธรรมาฏิปไตนะ่คืออะไรที่เป็นไปตามธรรมเนี่ยเราก็ทำตามนั้นอะไรที่เป็นไปตามคำนองคลองธรรมะเป็นไปตามศีลธรรมเราทาตามนั้นคนส่วนให ญ, ญ่จะบอกว่ามันไม่ดีนตะก็มันเป็นของดีอะต่อให้คนทั้งโลกพูดว่ามันไม่ดีอะอมันก็มันก็ยังดีอยู่นั่นเองอะนึกออกไหมนึกฟังอย่างนี้หมูโจรนะ่ะเขาจะบอกว่าขโมยดนะีไปทำงานอาชีพสูตริตมันช้ามันไม่ดีหรอก ต่อให้จนมันจะเยอะเต็มโลกไปหมดเนี่ยยังไงการไม่ขโมยมันเป็นสิ่งดีกว่านาะเราจรึงต้องมีมาตรฐานเพราะว่าถ้าคนส่วนใหญ่มันไหลไปตามกิเลส น, นะท่านผู้ฟังเขาเราจะเห็นยังไงก็ตามอย่างนั้นนะ่ะบางทีคนถูกหลอกก็มีถูกผู้นําไม่ดีหลอกนะหรือว่ า, ามีการโฆษณาชวนเชื่อมีการเป่าหูมีการสะกดจิตมีการที่ทําให้เห็นไปเป็นอย่างอื่นมีความเห็นไม่ถูกต้องไอ้พวกที่ถูกถูกไอ้พวกจํานวนมากเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะ มีนิทานประมราเรื่องหนึ่งเอามาเล่าให้ฟังซ้ําก็ได้นะีก็คื อ, อมีเพื่อนมีคนสองคนก็เป็นเพื่อนกันสนิท ก, กันมากเลยท่านฟังสนิท ก, กันมากามีความคุ้นเคยกันแต่ว่าสองคนนี้นิสัยไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหรนะ่คนหนึ่งนี่ก็อยู่ประพฤติตามศีลตามเป็นคนดีอีกคนหนึ่งนี่เป็นคนที่ผิดศีลบ้างทําอะไรไม่ดีบ้างอย่างนี้แต่ก็มีความคุ้นเคยกันปรากฏว่าพอสองคนนี้อายุมากขึ้นไปแล้วก็หมดอายุไข นะก็สมมุติว่าชื่อนายดํากับนายขาวก็แล้วกันนายขาวนี่ก็เป็นคนที่ดีประพฤติดีนะส่วนนายดำนี่ก็เป็นคนที่ไม่ดีประพฤติไม่ดีเป็นคนที่ประพฤติผิดศีลดำอะไรต่างๆปรากฏว่านายขาวนี่ด้วยความที่ตัวเองประพฤติถูกต้องตามศีลดำใช่ไหมก็เลยไป เ, เกิดเป็นเทวดานะไปเกิดเป็นเทวดาก็มีความสุขอย่างที่เทวดาก็มีกันนะไปไหนก็ลอยไปนะมเีเสื้อผ้าสวยงามามีความเป็นอยู่สะดวกสบายนะแล้วก็กินอะไรก็มีอาหารทิพย์ นะมีความสุขอย่างเทวดาเทวดาก็เป็นกันในขณะที่พอรู้ตัวเองว่าเออฉันทำความดีมันฉันเลยมีความสุขแหมก็ดีก็เลยระลึกถึงเพื่อนนะระลึกถึงเพื่อนคือนายนายดำนะไหนนายดำจะเป็นยังไงนะด้วยความฉลาดของเทวดาก็เลยสามารถรู้ได้ว่านายดำยไปเกิดเป็นเป็นหนอนนะเป็นหนอนอยู่ในฐานส่วมของพระนะเป็นในฐานส่วมของพระวัดวัดหนะึ่งด้วยความที่อยากจะไปดูว่าเพื่อนเป็นยังไงก็เลยใช้ความที่เป็นเทวดาเนี่ย ไปอยู่หน้าฐานส้วมไม่ได้เข้าไปนะไปปรากฏตัวอยู่หน้าฐานส้วมแล้วทำให้หนอนที่เป็นที่เป็นนายดำเก่าเนี่ยเระลึกได้ว่าตัวเองเนี่ยคือเ ท, ว ด, ว, เทวดานายขาวในเทวดาเนี่ยคือนายขาวนั่นเองแล้วพอหนอนนายดำเห็นเทวดานายขาวเนี่ยก็จําได้ว่าโอ้นี่เพื่อนฉันนี่หนาเป็นยังไงนั่นก็ถามสนุทุกสุกดิบกันในในายขาวที่เป็นเทวดาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าโอ้เวลาไปไหนนะฉันก็เหาะไปนะสบายมากเลยเวลากินอะไรเนี่ยโอ้ไม่ต้อง ไม่ต้องไปหาไปอะไรเลยเราแค่นึกเฉยเฉมันก็มาแล้วด้วยความที่เป็นอาหารทิพย์อย่างนี้เป็นต้นแต่พอในหนอนในดําได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ร้องไห้เลยท่านฟังร้องไห้โอ้ยเป็นเพราเป็น เ, นเนสียใจในความที่เพื่อนคือเทวดาในข่าวเนี่ยไปเกิดในที่ที่มันมีความทุกข์แตเพราะหนอนในดําคิดว่าโอ้โหเพื่อนกินข้าวนี่ยังต้องนึกอีกเหรอโห้ยดูฉันนี่สิอยู่ในฐานส่วมเนี่ยนะสบายมากเลยเดี๋ยวเวลา ถึงเวลาเดี๋ยวพระก็เอาอาหารมาส่งให้นะคืออุจฉะปูงออกมาอยู่ในฐานช่วงของพระไม่ได้ไปไหนเลยปูหญ้าตายายลูกหลานเหลนโหรณนะอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในฐานช่วมเนี่ยแฮปปี้หมดทุกคนมีความสุขจังเลยไม่ได้ไปที่ไหนเลยลเทวดาในขาวก็พยายามจะอธิบายให้หนอนในดําฟังว่าเอ๊ะมันไม่ใช่งั้นนะคือคือบนเทวดาอาหารเป็นทิพนะมันไม่ได้มีก้อนก้อนมันไม่ได้มีกลิ่นกลิ่นอย่างนี้นะมันดีกว่าอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจนะาูฟังนะในที่นั้นเนี่ยสมุติเราสมุนนะ ว่าเอ า, เอ า, เอากระดาษลงคะแนนเสียงมาให้นอนทั้งหมดในฐานช่วมรวมถึงสัตว์เดรัจฉานอื่นๆด้วยมาโหวตนะว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่างความเป็นเทวดากับความเป็นสัตว์เดรัจฉานนะต่อให้เอาเทวดามาหมดทั้งสวรรค์เอาสัตว์เดรัจฉามาหมดทั่วสารระบบนี้ขอโทษนะท่านผู้ฟังสัตว์เดรัจฉานก็ชนะอยู่ดีเพราะสัตว์เดรัจฉามันมากกว่าคุณเาปลวกมาลังหนึ่งโหปลวกนี่มีเป็นพันๆตัวบางทีบางรังมีเป็นล้านตัวจอมปลวกใหญ่ เขาโหวดลงคะแนนเสียงก็บอกปลวกดีกว่าก็บอกน้อนดีกว่าหนูดีกว่าสุนัขดีกว่าไก่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดีกว่าความเป็นอยู่อย่างเทวดาคนนั้นเขาจะมีความคิดอย่างนั้นแล้วมันถูกไหมล่ะท่านฟังว่าเราเป็นคนเราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดเรามีปัญญาเรารู้สิว่าอะไรมันควรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราเห็นว่าแม้น้อยหนึ่งที่เราทำอ่ะท่านฟังมันดีอ่ะเราก็ทา ลองคิดดูเราไม่นั่งสมาธิสาสิบนาที น, ทนาทีหนึ่งสีน่นาทีเราก็ไม่ได้เราเสร็จเลยนะเราให้สามสิบนาทีนั่งไก่พวกคนไม่ดีไปหมดเลยแล้วเราก็เลยต้องทําได้น้อยก็ทำนะขอให้ทําทําน้อยก็ยังได้ได้ น, น้อยน้อยนี่แหละมันเป็นการดีมันเป็นการที่เราจะรวบรวมสิ่ ง, งต่างๆเหล่าเนี่ยทีละเล็กนั้นน้อยน้ําฝนเนี่ยนะมันหยดมันหยดไปเ ร, เรื่อยเนี่ยน้ําท่วมกรุงเทพได้นะ มาตามเขื่อนตามแม่น้ำท่วมกรุงเทพเลยปีที่ผ่านมานี่โอ้ชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่รู้จัด ก, การบริหารกันอย่างไรแต่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นนนันก็เพราะว่าน้ําแค่หยดเหนียวจากฝนนั่นแหละไม่ได้มาจากที่อื่นเลยน้ําที่มันไหลมาท่วมกรุงเทพนี่จากฝนตั้งนั้นนะทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดมันยังท่วมได้นะมันก็คือไหลออกทะเลนั่นเองน้ําทะเลที่เราเห็นเราเห็นเนี่ยมาจากไหนก็มาจากฝนนี่แหละทีละเม็ดละเม็ดมันก็เต็มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรา ท, ทําทีละน้อ ย, ล ะ, อยละน้อยเนี่ย นี่แหะคือมันจะดีขึ้นมาได้เรขอให้ทําเล็กน้อยอย่ากเห็นว่ามันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้เรายังมีการทำํำเราจะอยู่ดีเราจะค่อยๆสร้างสมนิสัยปัจจัยเราจะค่อยๆทําดีขึ้นไม่ได้จะฝั ง, งทีนี้คุณบัวระวงจากอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เขียนมาให้ฟังอีกว่าในช่วงวันอังคารนะก็ดูจะทําได้ยาวขึ้นอีกหน่อยก็ดีแล้วนะเพราะว่าในวันคารเรา เพื่อเอาไว้เลยสําหรับการปฏิบัติเท่านั้นถูกนคะรเจ้าเองก็แพร่เมตตาไปนะให้ผู้ฟังที่สามารถฟังอยู่เนี่ยพอที่ทําไดนะ้ถ้าฟังได้ทําได้ก็ดีแล้วแตนะทีนี้เราพยายามที่จะทําเองโดยที่ไม่ต้องฟังนะขั้นฝึกสมาธิเนี่ยต้องทําให้อย่างแคล่อคล่อ ง, งว่องไวแคล่อคล่อ ง, งว่องไวคือมีความจนานาสมมุติเราจะเข้าสมาธิเนี่ยปุ๊บเท่าที่ไหนต้องทําได้เลยดีนิ้วปุ๊บต้องได้ที่นี้เวลานี้สถานที่นี้เหตุการณ์สถานการณ์อย่างนี้ปุ๊บเราควรจะทําจิตให้มันเหมือนๆกันได้อยู่ น, นี่ถึงจะถูกอันนี้ถึงจะมีความเก่งความชำนาญความเชี่ยวชาญคนที่เป็นอย่างนี้ก็มีเรายังเห็นนักนกีฬาหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาฝึกอย่างชำนาญเนี่ยไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไหนเนี่ยเาก็ทําได้เหมือนกันหมดเนา ะ, ะทีนี้ไทยในเรื่องของการปฏิบัติเราก็ได้คุยกันไปบ้างนะคุยกันอยู่ทุกวันาการอยู่แล้วะฉะนั้นก็ขอให้ทาต่อไปนะแล้วก็คุณบระวงก็ยังเขียนมาอีกว่า ไวดูแลสุขภาพด้วยนะก็ถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยในะช่วงนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวลมหนาวมาสองสามวันาหายไปอีกแล้วนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ไม่แน่ไม่นอนแตนะ่เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราเอาสิ่งที่เราพอที่จะควบคุมได้บ้างนะคือใจของเราในะที่พอเราจะรู้อะไรต่างๆได้บ้างเราก็พอจะคลายความทุกข์ลงไปนะก็ให้มารู้ตรงนี้ดีที่สุดสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เราก็คอยเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ก็แล้วกันม <c oughs> ีอีกจดหมายฉบับหนึ่งเขียนมาจากทางจังหวัดมหาสา ร, รคามโอ้องจดหมายนี่ใส่มาเริ่มเลยในข้างในมีกระดาษอยู่แพนหนึ่งโอ้ยตัวข้าราชกาก็หาตั้งนานวิ่งทำไมเขาส่งซองเปล่ามาก็ง ง, งๆเพราะว่ากระดาษนี้บางมากแนมอยู่ตีกับซองก็เลยไม่สามารถเห็นได้ในตอนแรกน้ำมาค้นดูเปิดดูทีเอ้ามันซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ข้างๆนี่เอง นะก็เลยได้เห็นเป็นจดหมายสั้นๆนะมาจากนะคุณมาจากบ้านหนองโนนะตำบลรงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสา ร, รคามจากคุณพ่อสุวรรณมะปะวันคุณพ่อสุวรรณมะปะวันเขียนมาจากจังหวัดมหาสา ร, รคามนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาคือการแบ่งเมตตานั่นเองนะให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว นะทําอย่างไรผู้ล่วงรับไปแล้วจึงจะได้รับแล้วก็เอากับประเด็นนี้ก่อนนะเราแผนเมตตาไปเขาได้รับหรือไมอ่ก็จะต้องบอกว่ามีส่วนที่เขาได้รับและมีส่วนที่เขาไม่ได้รับเอาอย่างง่ายๆอย่างสมมุติว่ า, ามีคนคนหนึ่ง เ, เขามาตัดสนามหญ้านะโอ้ยากขึ้นรกเลยในสยามหญ้าแผ่นอันนี้ก็นะ เ, เลยไปตัดทำความสะอาดสนามหญ้าให้มันดีเอคนอื่นเขามาเขาเห็นเขาไม่ได้เห็นตอนตัดนะเขาเห็นตอนที่สนามหญ้ามันเรียบร้อยแล้วโอสวยงามมากเลย เขาเลยเล่นฟุตบอลกันแต่ว่าคนที่เล่นฟุตบอลบนสนามหญ้ า, าที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยได้รับอันนี้สงจากการตัดหญ้าของคนตัดหญ้า ก, ก่อนหน้านี้ไหมคําตอบคือได้รับนะแต่ถ้าคนอื่นที่เขาไม่ได้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้มาใช้ตรงนี้เขาก็จะไม่ได้รับเนาะเหมือนกันมันก็จะมีส่วนที่เขาได้รับได้และส่วนที่เขาไม่ได้รับได้แตถ้าเราพูดถึงบุญกุ ศ, ศลนะบุญกุศลเนี่ยอรุชาบอกว่ากรรมเนี่ยนะกรรมคือเจตนานะเราทําบุ ญ, ส ร, บ ญ, ส, รบญสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือเจตนานะ นัเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่กรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นของเฉพาะตนหมายคือหมายความว่าใครทําใครได้นะมีกรรมเป็นกรรําเนิดมีกรรมเป็นผพปานมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะใครทํากรรมใดไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะเพราะนั้นถ้าผัว่าใครทํากรรมไว้ก็ต้องได้รับผลตามนั้นทีนี้ว่าเขาจะได้รับ <c oughs> บุญกุศลได้เนี่ยก็อยู่ที่คาว่าอนุโมทนานนคือบุญก็ตามหรือเมตาก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นการแบ่งเคก้ก คือแบ่งปุ๊บเราของเราลดไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นลักษณะของการต่อเทียนเป็นลักษณะการต่อเทียนการต่อเทียนเนี่ยคือว่าถ้าเขามาเอาแสงสว่างไปเขาก็จะได้แต่อย่างน้อยถึงเขาจะไม่ได้มาเอาไปเขาก็ยังได้แสงสว่างยังเห็นแสงสว่างอยู่คือถ้าสมมติคนเขาอนุโมทนากับความดีของเราเนี่ยบุญจะจะเกิดขึ้นในใจของเขา่เป็นบุญก้อนใหม่เป็นบุญก้อนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในใจของเขาถ้าเขาอนุโมทนากับสิ่งที่เราทำไปเพราะนั้นถามว่าคนที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยเขาจะมาอนุโมทนากับเราได้ไหม ก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานะที่เขาอนุโมทนาได้ไหมอย่างถ้าเราระลึกถึงเขาอย่างเงี้ยเราร ะ, ะลึกถึงเขาเนี่ยมันเหมือนกับส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ไปแล้วนะนะมันก็จะถึงกันได้นะเขารู้เขาอนุโมทนาแล้วก็จะสามารถรู้สึกกันได้อ่าถ้าเขาอนุโมทนาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องบอกว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทำการอนุโมทนาทําจิตให้สบายๆนะความดีของใครเราก็ยินดีอนุโมทนาด้วย ก็นะชื่อว่าเราก็อนุโมทนาเราก็ได้บุญใหม่เพิ่มขึ้นมาในขณะเดียวกันแตนะถ้าเขาไม่ได้มาอนุโมทนาชเช่นเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ก็จะไม่ได้รับนะในเรื่องของบุญนะนี่คือ ก, การแบ่งบุญนะแต่ถ้าผอกว่าความกระแสนความรักความเมตตานี่ได้รับตลอดแตนะพระเจ้าแนะนําให้มีการแผ่เมตตาให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกทิศทางอย่างไม่มีประมาณนะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทิศทางอย่างไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นแผ่ไปแผ่ไปเนี่ย คือถ้ามันโยนทิ้งเฉยๆเนี่ยพระเจ้าคงจะไม่แนะนําให้ให้ทำนะมันจะต้องมีใครที่พอที่จะรับได้บ้างนะอย่างพระเจ้าก็เคยทำนะแผ่เมตตาให้ภิกษุ2รูปนะที่ว่าโอ๊ยทำเสียงดังไม่เข้าทา่าพระ บ, บวชใหม่ไม่รู้เรื่องนะทำไปๆถูกๆ ก, ก, ก็เลยไล่ไปนะไล่ไปพระอนุนก็เลยไปคุยว่าเอ๊สอคนนี้ถ้าปฏิบัติจะได้มาผลนิพพานไหมนะพระเจ้าก็ตรวจสอบดูก็อาจจะได้นะเอางี้และกันก็เลยแผ่เมตตาให้เขาเขา้เขามาฟังทำทีละคนละคน จะเลยเมตตาให้เขาเข้ามาหาพระบุตรชาติทีละคนแสดงทําให้ฟังบรรลุเป็นเป็นภพระอริยะบุคคล อ, อีกคนหนึ่งแผ่เมตตาให้เขาเข้ามาหานะเขาก็ได้ฟังธรรมจนเปริ ย, ยเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาได้การแผ่เมตตาเนี่ยทำให้คนหนึ่งเขารักนะมีอนิสงส์หลายอย่างเช่นนอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นเราแผ่ไปเถอะท่านฟังนะคือถึงเขาจะได้หรือเขาจะไม่ได้ให้เราทำนะถ้าให้เราทําเพราะว่า มันเป็นการทําแล้วเป็นเป็นการดีนะคือเรื่องเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยเป็นกรรมของเขาเนะีเป็นสิ่งที่เขาเป็นเป็นกรรมที่เขาจะต้องรับไปถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่ดีเขาก็จะได้รับแต่ถ้าเขาอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีเขาจะต้องพ้นจากกรรมนั้นก่อนอย่างเราจะพานักโทษในคุกเนี่ยเอามากินพัตการข้างนอกเนี่ยโหสั่งไว้แล้วอย่างดีมันก็ไม่ได้เขาไม่อนุญาตให้ออกมาเนะีเราก็ต้องรอเ้าหมดวาระตรงนั้นก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปกินเหลากินพัตการดีๆหรูๆนะแต่ว่า ต้องออกจากคู่ก่อนนะอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ลวงรับก็ไปได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พุทเจ้าเคยเตือนอไว้นะเหมือนกับเราเอาหม้อใบหนึ่งนะใส่กรวดใส่หินแล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยนะเอาหม้อนี้ไปฝังไว้ไใต้น้ําแล้วก็มีคนเนี่ยไปตีหม้อนี้ให้แตกนะอะไรไปลอยอยู่ในน้ำนะลอยอยู่น้ําเสร็จปุ๊บตีหม้อนี้ให้แตกนะตีหม้อนี้ให้แตกโปะลงไปยไอ้พวกหินเปลือกหม้อฝาหม้อที่มันแตกปุ๊บเนี่ย มันก็จะหล่นลงไปใต้น้ําส่วนพวกเนยใสอะไรต่างมันก็จะลอยอยู่บนผิวดินนะผู้เช่าเอาตัวอย่างเนี้ยยกให้ดูให้ฟังบอกว่าอ่านี่แหละพอเหมือนกับกายแตกแล้วไอหม้อเนี่ยเหมือนกากายนะถ้ามันแตกโปะเนี่ยอะไรที่มันหนักมันก็จะตกอะไรที่มันเบาบมันจะขึ้นนเะช่นเดียวกันถ้าเขามีบาบอคุศนระดับจะพาเขาไปที่ต่ำแตนะ่ถ้าจิตสุดท้ายนั้นเขาคิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลจะพาเขาไปที่สูงแค่นันเองเราต้องหากอยู่ณที่นี้ เราเป็นเครื่องตรึนสติของเราว่าเอ๊ะเราต้องทำความดีนะความตายเนี่ยเป็นเหมือนเที่ยวธูตนะทีว่ว่าเราเห็นคนที่ตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างขึ้นเขียวคล้ำน้องอืดอย่างเงี้ยมีน้องขึ้นเขียวนะมีน้ำเยอะเหลืองไหลเยิ้มเนี่ยเราดูดูแล้วว่าโอ้แม้เราต้องมีความตายเป็นธรรมดาจะไม่รอดพ้นจากความตายไปได้ควรแท้ที่จะรีบทาความดีทางกายทางวาจาและท้งใจ เพะนั้นผู้ที่อิจฉาก็ตามผู้ที่โล่งรับไปแล้วก็ตามนะเขาได้รับแน่นอนอ่าทั้งคนที่อิจฉาคือตรงนี้คนที่อิจฉาคนอื่นเนี่ยมีความริษยาคนอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมที่เขาทําอยู่แล้วนะบางคนเนี่ยแหมต่อให้ฟังธรรมะของพระุทเจ้าต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยเอา้าก็ยังไม่สามารถออกมาจากคลองแห่งอักขุโสแลรมได้ยังทำความช่วยอยู่นั่นเองนะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะในะสมัยนี้นี่ก็มีเยอะเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นก็เป็นกรรมที่เขาจะต้องรับไปนะแต่เราล่ะ อย่าไปแบ่งกรรมชั่วของเขามาเป็นกรรมชั่วของเราเขาจะอิจฉาก็จะทำไม่ดีคุณอย่าไปแบ่งกรรมนั้นมานะมันซวยเลยนะจำฟังเราไปเอากรรำชั่วสมมุติสามีไปนอกใจอย่างเงี้ยภรรยาก็เลยไปนอกใจด้วยโอ้ยอย่าทําอย่าทําไม่ถูกเลยคุณเอาความชั่วของเขามาอนอนุญาตให้ตัวเองทําความชั่วด้วยเป็นความคิดที่ผิดนะยิ่งเขาทําชั่วเราต้องตั้งอยู่ในความดีแล้วนะเราเห็นแล้วว่าเขาความจําชั่วนี้เขาทำเนี่ยจิตใจเขาร้อนเขาปิดเบียงคนอื่นเรายิ่งจะต้องไม่ทํา นะความดีอยู่ที่ไหนดีแนะน่นอนดูฟังต่อให้คนอื่นไม่เห็นเนี่ยเพชรอยู่ในตอมันก็ยังเป็นเพชรเพชรอยู่ในหินมันก็ยังเป็นเพชรต่อเมื่อมีคนออกมาแล้วเนี่ยออมันจึงมีคุณค่ามีเงินคุณค่าแต่คุณค่าของมันมีอยู่ในตัวแล้วท่านผู้ฟังจิตเราประเสริฐ จ, จิตเราสูงจิตเราใหญ่เราเป็นไปได้เอาล่ะในวันนี้ก็มีจดหมายสฉบับที่ที่ตอบในเรื่องนี้มีอีกประการหนึ่งที่จะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยในเดือนธันวาคมนี้เรามาีโปรโมชั่นพิเศษให้ท่านผู้ฟัง รายการธรรมารัปรุณ่ณคือสําหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเทปบันทึกเสียงในรายการธรรมารัปรุนตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าจัดมาเลยตั้งแต่ปี5 4 5สีแล้วก็55นี้ด้วยห้5สี่5 5าส 5, 5, 5, 5, 5, 5 3ห้ตั้งแต่จัดรายการธรรมารัปรุ่นมาเนี่ยเราจะทําเป็นซีดีเป็นดีวีดีแจกให้ท่านผู้ฟังเป็นกล่องขวัญปีใหม่ให้นะในดีวีดีก็นี้ก็จะเป็นดีวีดีหแผ่ น, นที่รวบรวมกันทั้งหมด ในช่วงของรายการธรรมรัตน์นะั้นเราด้คุยกับคุณเตือนใจมีของหลวงพ่อด้วยมีของวันธรรมดาด้วยในทุกๆตอนที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยเราจะมารวบรวมใน DVD แผ่นนะี้จะมีข้อมูลว่าตอนนี้พูดเรื่องอะไรออกอากาศวันไหนต่างๆเหล่านี้นะามาให้ท่านผู้ฟังแจกเป็นกองขวัญปีใหม่ให้นะถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับกองขวัญชิ้นนีนะ้ก็ช่วยทางรายการนิดนึงนะโดยการที่ใช้เอาซองกันกระแทกเนี่ยนะติดแจมเก้าบาท จ่าหน้าถึงตัวเองส่งมาที่รายการธรรมรัตน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศูนย่ศจะส่งมาที่วัดป่าด่นสายโศกนะเพราะว่าไม่มีกําลังพลจะช่วยได้ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะาถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศย์สีอีกครั้งหนึ่งของควันปีใหม่เป็น DV วดีรายการธรรมรับตน์ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าจัดมาจะแจกให้ โดยการเงื่อนไขาการรับก็คือว่าให้สอดใส่ซองกันกระแทกซองกันกระแทกด้วยนะจะหน้าซองถึงตัวเองติดสแตม9บาทส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภายในเดือนธันวาคมไม่เกิน15มกราคมใครที่ส่งจดหมายสอดซองกันกระแทกติดสแตม9บาทจะน่าถึงตัวเองมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยไปในวันที่15มกราคมเราจะแจกให้มีทั้งหมด 2,000 แผ่ น, น 2,000 DVD เป็นของรายการธรรมรัตน ในวันนี้เราหมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังเราก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเจ้าพระภัยบูลนะ์พี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกขอลาไปก่อนเจอกป่พร